ขอความเจริญในธรรมจะมีด้ธรรมผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาจรัยศรีปทุมก็มานำเสนอสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาตก็สืบต่อมาในถึงช่วงที่สงงใช้ับว่าเอกายโนยังมาโคสมดัคขโตสัตตานังวิสุทธนะิญาะเพื่อความวิสุทธิหมดจุดแห่งสัตว์ทั้งหลาย ข้อต่อไปทรงชชยกรรมสโสกกะปเดวนังสมาติกามายะเพื่อความอัศดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสก็สโสกะะปเดไปเทวะความโสกอนะความสโสความขั้มขรวนระไรลําพันและความดับแห่งทุกข์และโทมนัส พุทธเกตว่าตรงนี้เป็นเรื่องของทุกขสั็หมายความว่าศาสตานางวิสุทติยาเนี่ยเป็นตัวตัวตัวตัวเหตุเนี่ยเป็นมรรคสัจตัวผลนี่เป็นนิโรธสัต์ก็แสดงว่าเมื่อกลุ่มโน้นเขาเกิดกลุ่มกุศลก็เกิดกลุ่มนี้ก็ต้งดับก็บอกหรือไม่บอกมันก็ดับ แต่ทรงแสดงให้เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ชอบพวกเนี้ยคนไม่ชอบเท่านั้นโศกก็ไม่ชอบความค่ําควรวนก็ไม่ชอบความทุกข์ก็ไม่ชอบความโทมนัสก็ไม่ชอบเพราะนี้เป็นทุกแต่ว่าตัวโทมนัสในที่นี้บางระยะจะหมายถึงเป็นตัวแทนของ โทรศด้วยนะเราให้เราลองสังเกตนะฮะที่โทรมาแนแต่ผู้เกิดเราไม่ชอบเลยเกิดโทมาแนมันอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันทําอะไรไม่ได้แค้นมากทําอะไรไม่ได้เสียใจายมากจนกลายเป็นโกรธเสียใจายมากเนี่ยจนทุกความความก็เรียกว่าสโสกะปริเทวะทุก แล้วก็โทมนัสทุกก็หมายทั้งทั้ทุกกายและทุกใจแต่เน้นไปที่ทุกใจนะฮะเน้นไปที่ทุกใจแต่โทมนัสนั้นเน้นไปทั้งที่ในฐานะที่เป็นทุกข์ด้วยและในฐานะที่เป็นสมุทัยด้วยพวานี้เราคุ้นะเราก็สวดทุกขสัตว์มาตลอดแต่ลองสังเกตว่าพวกนี้ได้อธิบายมาไว้ในสูตรก่อนคือสมาธิสูตร โสกะโอกาที่แปลความโศกความโศกมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสูญเสียหรือเป็นผู้สูญเสียหรือมีความสูญเสียการพัดพลาคจากสิ่งจากสัตว์จากคนที่เรารักแล้วก็ก็ปรารถนานได้คืน ทีนี้มันม่เกิดมาเราก็เกิดความโศกร้องหม่มร้องไห้พิริพิไรรำพันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็ปริเทวะคือคร่ำครวญบางทีเล่นเอานานนะฮะไอโศกะกับปริเทวะเนี่ยพูดไปเล่นแบบบางทีอยู่นานเลยผ่านไปตั้งนานแล้วสิบกว่าปีแล้วพอพูดขึ้นมาร้องไห้ต่อแสดงว่ากัดกร่อนจิตลึกมาก ไปแบกทุกไว้ก็ถ้าเราปล่อยวางมันก็จบแต่เราก็ไม่ปล่อยก็ปัญหาว่าพอแบกไว้มันก็หนักคือขันก็เราขันเดียวเนี่ยเราก็หนักแล้วทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าเราไปแบกขันอื่นมันไม่ใช่ขันเราเช่นคนที่รักมันก็ไม่ใช่เรา สิ่งที่เรารักมันก็ไม่ใช่เราสัตว์ที่เรารักมันก็ไม่ใช่เราแต่เราไปแบกเราขันห้าห้าขันเราก็สะบักสะบมแล้วก็แบก อ, อันนู้นขันนี่ขันก็ทีละห้าขันหน้ากันก็แบกกันก็โดยความรู้สึกต้องการอยู่กันตลอดไปนั่นคือปรารถนาด้วยพื้นฐานของความรัก เราสังเกตว่าลักษณะของการมราคาคะกัลโลภะเนี่ยต้องการปรารถนาครอบครองแบบยั่งยืนแต่ก็พูดอะที่ก็บอกว่าอะไรล่ะเมื่อตอนหนึ่งก็เป็นน้ำพึ่งตอนหนึ่งน้ำพึ่งขมอะเป็นน้ำพึ่งขมรักมาถึงจุดหนึ่งก็ได้ แต่ว่าตอนนั้นนะ่ะใจมันยังมีรักอยู่ย่าเกิดโศกทีนี้พอมันเกิดชังขึงน้นมาเนี่ยที่จึงอยากให้พัดพากถ้าพัดพากแล้วเนี่ยก็จะดีใจมากอ้าเกิดไม่พัดพากโซกอี๋แหละทำอะไรไม่ได้เลยโทมานะใจอึดอัดขัดข้องรำคาญหงุดหงิดไปกันใหญ่ ทั้งหมดเป็นเรื่องเราปรุงคิดคิดปรุงเอาเองทั้งหมดเลยยังนึกถึงเป็นเหตุการณ์สมัยเด็กๆแต่ว่าคนมาเล่าให้ฟังคือคือมันมุ่งคลองแห่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นโคง้งและมุมตรงนั้นเน่เป็นที่กล้ๆ ก, กับไม่เป็นที่ไม่มีเจ้าของก็กลายเป็นที่ฝังศพของชาวบ้าน พันต้นไม้ก็เต็มไปหมดเลยรกลุไมไปหมดคนก็ไม่ ก, กล้าเข้าแต่ว่าคนแถวนั้นมีความรู้สึกว่าตรงนี้ผีดุก็สะสมมาตั้งแต่เป็นเด็กคะกบรับรู้กันว่าผีดุวันหนึ่งมีเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปชวนกันไปเชี่ยวก็ไว้ขะนองแบบเด็กแต่คนหนึ่งมันไม่กลัว มันขึ้นมาต้นไม้ทําเป็นผีหลอกเพื่อนไอ้เพื่อนที่มีพื้นฐานกลัวอยู่เนี่ยมองไปเนี่ยกูตกใจวิ่งกันกระจุดกระเจิดกระเจิงกระจาะกระจายเลยคนหนึ่งมีช็อกไปเลยช็อกไปก็จับไปบ้านก็ไข้สันเพื่อนก็ตามไปบอกบอกไม่ใช่ผีที่ไหนฉันเองอะก็เด็กชาวบ้านนะช้าก็กูเองเก็ไม่ อธิบายอย่างไงชี้แจงอย่างไงไม่ยอมหัวโขนหมดเลยนะผมเรื่องหมดเลยไอ้ น, นี่เราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของการสะสมความรู้สึกพอลงมาทั้งหมดเนี่ยคิดเองหมดเลยไอนน้เรื่องเป็นผีก็คิดเองกลัวก็คิดเองตกใจก็ตกใจเองจับไข้ก็จับเองผมโขนก็ผมโขนเอง การเรียนไปตั้งนานนะะ น, นี่คือคือคือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสภาพของทุกแบบเนี้ยลงตัวนะฮะให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าทุกเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นปกินกักทุกแต่ทรงแสดงพระพูดถึงทุกข์กษัตริย์จะแส ด, ดงอย่างนี้ทุกทีโอเคบริ เ, เวริรุกแกฮิโดมันเสฮิวปายาเสฮิโกว่าไปเรื่อยจนถึงโนนะ สังคิเตนะปันุปทานะกันธาทุกขาเป็นนิพ ป, ปริยายถ้าใช้ในนามริยสัตย์จะทรงแสดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติได้อย่างอย่างถึงญาณทัศนวิสุทธิพุทธดหมดทีนี้ตัวทุกเนี่ยตัวทุกก็คือสิ่งซึ่ง เนี่ยเกิดแก่เจใ็บตายเนี่ยเกิดแก่ตายนะเกิดแก่ตายเป็นสภาวพทุกข์แล้วก็นอกนั้นเป็นทุกข์จรทั้งหมดมันจะดับหมทุกหมายถึงทั้งทุกกายในทุกใจแต่พอนี้มันมีโทมนัสอยู่ด้วยก็หมายเฉพาะทุกกายทุกใจก็ไปอยู่ที่ตัวโทมนัสภาษาธรรมานี่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะคือถ้าข้อความมากเนี่ยสาระธรรจะน้อยแต่ข้อความน้อยเนี่ยสาระธรรจะมาก น, นี้ก็จับประเด็นไวอน้อย่างหนึ่งอย่างเนี้ยอย่างสัพพะ ป, ปะภาษากระนังกุศลสูปะ ส, ะสัม ป, าปดาสจิตตปริโยดาปังเอตังมุทธานาสาสนังเนี่ยให้เราลองสังเกตยิ่งมันอยู่อีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งคือการทําบาปทั้งปวงการไม่ทํากุศลให้สมบูรณ์การไม่ทําดีได้ฟ่องแพร่อีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างสองด้าน พอทาได้ก็เหมือนกับด้านนี้พอทําไม่ได้ก็เหมือนไกลด้านตรงกันข้ามตัวลมจริงๆมันมันสี่ด้านเพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัติเนี่ยพระปฏิบัติก็ปฏิบัติด้านเดียวคือการไม่ทําบาปทั้งปวงพอไม่ทําบาปทั้งปวงพอบาปมันหมดเนี่ยอาการไม่ทําบาปทั้งปวงมันก็หมดอาการการทำบาปทั้งปวงก็หมดทีนี้การทำกุศลไม่ทํากุศลสมบูรณ์ก็หมด การไม่ทำจิตได้ผ่องแผ้วก็หมดเพราะว่าจิตมันผ่องแผ้วให้เราตั้งใจลองเองนึกดูมันมันจะมีอยู่อีกสามด้านเขาไม่พูดหรอกไม่ต้องพูดมันก็ทำนองใกล้ๆก็กินข้าวเนี่ยเราก็ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเรามีกับข้าวอะไรบ้างไม่ต้องบอกกินข้าวมันเข้าสูกระบวนการและกินข้าวไม่ใช่วางาเฉพาะข้าวเฉยๆหรอกแต่ก็ชวนแค่กินข้าวแต่นั้นเอง นะถ้าจะเอาภาษาตรงๆกันเราก็ไม่มีสิทธิ์กินกับเพราะไม่เลยเขาเไม่ชวนให้กินกับแต่ว่านั่นคือกระบวนการใช้คําคําเดียวแต่ว่าเข้าสู่กระบวนการเสร็จแล้วก็กระจบเหตุไ้หิวก็หายความหิวก็หายความอิ่มปรากฏเดี่ยวแรงก็ปรากฏที่จริงก็พูดว่ากินข้าวคำเดียว นั่นคือลักษณะของของกรอบของสารัะ ธ, ธรรมะว่าถ้าคำเขาน้อยเนี่ยกรอบเขาจะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตอนตอนก่อนยานิพานรับสังสั้นนิดเดียวนะอมันตยาพิกเวไวยาธรรมาสังการาประมาณนะมาาานี้นะสัมปทาเดชธรรมถ้าหนังสือเล่มโตๆมันก็บรรทัดเดียวเอาหนังสือเล่มใหญ่ก็เรียกวสองบรรทัดอะหมดอะ แต่ว่าตัวหลักที่ทรงสอนในปฏิบัติมันไม่ใช่ทั้งประโยคประโยค์ข้างบนเป็นการการกะตุ้นเตือนให้สำนึกถึงความจริงตามสภาวธรรมเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลา ย, ลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไอ้นี่มันอยู่ก็มันอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเองในส่วนพระพุท ธ, ธ ร, ราก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา โลกเองมันก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเป็นการกระตุ้นเฉยๆให้สนหนักว่าอย่าประมาทนะเธอเองก็เหมือนนี่แหละเหมือนกันนั่นแหละเพราะเธอก็เป็นสังขารพระรังเติมงใช้คำว่าอัปมาเดนะสัมปาเดตะเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้สมบูรณ์พูดง่ายๆว่าอย่าประมาทนะ เป็นพระพุทธธํรมัครั้งสุดท้ายสั่งศาสนิกเอาไว้อย่าประมาทนะอบอุ่นนะเราเห็นว่าพุทธธํรมบัตรที่อบอุ่นมากก็เหมือนกระขายก็ตานะใ ก, ก, ก, ก, กล้กับลูกหัวลูกสั่งเสียลูกอย่าประมาทนะเดินดีๆแต่ไรเนี่ยมันอบอุ่นนะสรุปคำสอน45ปี แต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วมันหมดเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ประมาทจริงๆเนี่ยทรงใชเขรรมสัมปทานะสัมปทาคือสมบูรณ์หรือถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ข้อความแบบเดียกับสัพปะปาปัสสะกระนางเห็นไหมสัพปะปาเนี่ยสัพพปาปัสสะสัพพะทั้งปวงกุศลสูประสัมปทาสัมปทาสตรจิตะประโยชน์ดับปังปะริโยดับปัญญแปลว่าขาวรอบนะ ประโยชน์ประนางแปลว่าขาวรอบคือหมดบริสุทธิ์หมดจดไปเพราะนั้นตรงนี้เราจะพบว่าอัปปามาทจะทรงแสดงในที่อื่นเช่นประมาอะประมาโดมัจจุโนปะดังอัปปามาโดมัจจุนโอปะดังอะไรอะไรเนี่ยอะประมาดังปรภาังสันติปุญญกิยาสุบันนิตาจะใช้คําอย่างนั้นแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่ได้ใช้อัปปามาเดนะสัมปาเดธาใช้สัมปาเส ถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ทีนี้ถ้าถ้าสมบูรณ์ล่ะคืออะไรอ่ะคือสติที่สมบูรณ์ทีนี้ใครล่ะคือสติสมบูรณ์คือพระอาหารหันต์นี่ยันะงสั้นนี้เนียวขังสั้นนี้ประโยคเดียวคาเดียวที่จริงก็อาจจะเป็นวลีเลยทั้ไปน ะ, ะประมาเดนะสัมปะดีทะก็เป็นประโยช์กันแหละแต่ประโยชนสั้นๆก็มีกิริยาอยู่ด้วยนี่ก็คือ พระบาลีพุทธวัชนะที่มีความไพเราะอย่างที่เราสวดว่าศาสตร์ถังสบยัญชนะงเกวละบริปุรณนังบริสุทธังพระมจรยังประกาศเสสิรุเจ้าทรงประกาศพระมจ ร, รยิยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ได้อัตถะคือนอหาพยัญชนะคือภาษาในขณะเดียวกันพระยางที่บอกว่าโทมนัสตรงนี้แหละ หมายถึงโทสะอยู่ด้วยทีนี้ก็บอกว่าญายัสะอธิกายะเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อบรร ล, ลุยายิธรรมก็ญายธรรมก็คือญายะปฏิปโนพรกะกตฏสาวกสังโฆ น, นั่นแหละตัวนี้บางทีเรียกวั น, นิพานก็มีอย่างในสังฆ ค, คุณเนี่ย บอกว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ น, นิพานก็ได้นะยะยะธรรมในกรอบเขากรอกว้างก็อยู่ตรงไหนล่ะยะยะธรรมที่จริงมัน อ, อยู่ที่ญาณนะทัศนวิสุทธ์แล้วนะฮะบัรู้ญาณญาณนะทัศนวิสุทธ์ก็เข้าก็ก็เข้าถึงนิพพานาสะสะชิกริยายะธรรมพระนิพานให้แจ้งนั่นคือเป้า ทีนี้ทำยังไงจะทํานิพานในใจนิพานเป็นหนึ่งในหลายร้อยชื่อโดยซ้าไปของนิโรธในเลสีเรียกนิโรธในที่นี้เรียกนิพานส่วนใหญ่เราจะพบนิพานอยู่ในที่ต่างๆแต่ว่าอย่าลืมว่าคำเนี่ยมันเป็นเป็นบัญญตัติแล้วก็นิยามใหม่ เพราะจริงๆคำานิพานเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้ในกันณีอะไรก็ได้สบายใจลูกดีลูกดีสบายใจเขาเรียกนิพานธ์ตักอาหารร้อนๆมายังกินไม่ไหวมันร้อนจักพออาหารอยู่ในหยุดที่กินได้เอากินได้แล้วอาหารนิพานธ์ละไฟดับไฟลุกไหมกระดับไฟก็ไฟก็นิพานแล้วก็ก็กกนิพายยิ่เป็นนิพานธ์นะแต่นิยามในความหมายของเราเนี่ย หมายถึงดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์เพานั้นเราจะพบว่าพระเจ้าใช้มาตั้งแต่ปฐมเทศนาใช้ตั้งแต่ปฐมเทศนาแต่ตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าทรงใช้คำว่าอมตะธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำผู้บรรลุเนี่ยให้ไม่ต้องตายเพราะอะไรเพราะไม่เกิด นิพพานจึงจึงใช้สื่อสิ่งที่เป็นรูปธปรรมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในตัวนิพพานซึ่งเป็นนามธรรมแต่นี้การรู้เห็นนิพพานจริงๆมันมันไม่เห็นจริงหรอกนอกจากเราบรรลุเองมันก็เหมือนสัมผัสต่างต า, งต า, งตาหูจะบง่งลิ้นกาย เราต้องดูเองเราต้องฟังเองเราต้องดมเองต้องลิ้มเองต้องจับต้องเองก็เล่อธิบายไม่ได้หรอกอธิบายเนี่ยเป็นเราความได้ทีนี้อย่างอาธิบายประศูนย์ก็อธิบายตามที่หรวพุทธเจา้อาอธิบายก็ตามพุทธอธิบายแต่เราไม่อธิบายจากคนที่เราสัมผัสเพราะเรายังไม่ได้สัมผัส แล้ก็อี่บาตราวิปุจจะอธิบายก็อย่างที่เคยเราเจอมาบ่อยเรอมาอยัางคิดว่าเนี่ยเราควรมองไปที่นิพพานที่เป็นตาทาังกันนิพพานเนี่ยให้มากหรือม่อย่างนั้นตาทังกันนิพพานเนี่ยมันใช้สติ ก, กับปัญญาเป็นตัวระลึกวินิจฉัยนะเห็นชัดเจ น, นเป็นโทษเป็นคุณเป็นโทษ แล้วก็ใช้สติรละลึกชัดแล้วก็ตัดมันเขาดา่าเอ้เสียเวลาเรื่องของเขาช่างเขาเราก็ไม่ด่าต่อก็จบแต่ทีนี้ถ้าให้ดีแล้วเนี่ยมันทำยังไงให้เป็นอันตโนมัติตายังไงให้เป็นอันตโนมัติบางระดับแต่ไม่ใช่ทุกระดับรออทุกระดับเราก็ทำไม่ได้กะแต่เช่นสมมติว่า มีคนเป็นนั้นมากที่เราไม่กรวมีของเป็นนั้นมากที่เราไม่โลภมีคนเป็นนั้นมากที่เราไม่มีความรู้สึกในทางเพศมีปัญหาเป็นนั้นมากที่เราเข้าใจอันนี้คือคือคือเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่อง อย่างยกตัวอย่างในกรณีเหตุการณ์ที่ทางปักได้เนี่ยกระดจนว่าที่ท่านนายกสัมภาษณ์ในวันที่8ปดพฤศจิกาย น, นยแล้วก็ตัวกรรมการคนหนึ่งของกรรมการกลางอิสลามก็อยู่ในกออสเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ก็แสดงว่าไอ้ประเด็นที่เราเคยพูดเคยเขียนเคยอะไรแต่หลายคล้ายๆกับไม่จริงฮะ แต่เราอย่าลืมนะว่าจริงๆนี่มันแผนซ้อนแผนต่อไปอีกครั้งหนึ่งแน่นอนส่วนหนึ่งเขาไม่ชอบธนายกมีคนระดับนำที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยมีคนถามว่าทำยังไงเหตุการณ์ปักได้จึงจะสงบใช้คำต้งตงตรงๆ ง, ง, ง, งเลยบอกว่าธนายกคุณทักษิณเนี่ย ต้องหายไปจากโลกนี้ใช้อย่างนั้นเลยนะฮะแต่อย่าลืมน ะ, ะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องลวงตาผู้เบียงเบนประเด็นน่ะแล้วคนที่เข้าไปแฝงตัวอยู่เนี่ยสายที่แฝงตัวที่จริงเขารู้แต่เขาต้องการต้องการให้เอาข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยนังไปบอก เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นต้องนึกต้องนึกถึงนี้ด้วยมันมันนักยุทธศาสตร์มันไม่ใช่มอมหมากชั้นเดียวเราอย่าลืมไอ้ที่เขาไปชุมดา่าท่านนาย ก, กตลอดท้งรายการเนี่ยอาจจะเท็จทั้งทั้งหมดไปได้ในการเบี่ยงประเด็นะก็อย่ามองอย่ามองชั้นเดียวนะคิดอะไรซึ้งกว่านั้นแล้วในที่สุดพอเบี่ยงประเด็นเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกับ คนกลุ่มหนึ่งที่กำลังล่าหลายเซนดีจะกลับไล่ท่านนา ย, นยกแต่มันก็ได้พวกเออต้องการเหตุการณ์ใต้สงบไม่ได้ยากกันไลถทานายกมกันตีออกไปก็จบและแต่เราอย่นลืมาเหตุการณ์นี้มันเกิดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกก็เกิดสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็เกิดสมัยรัชกาลที่ห้าก็เกิ ด, กก เ, กดเกิดมาเรื่อย อัตมาก็เป็นเด็กอยู่ที่นั้นเราก็รูกข่าวตอนเรานุ่มเราก็ไปจนจีนเต็มหมดก็เห็นไม่เห็ันมันมันมันทำมาไปเชื่ออย่างนั้นอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งแต่ไม่ใช่เงื่อนไขหลักเราอย่าลืมว่าถ้าคนไม่มีอุดมการไม่บ้าอย่าบ้า แล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างแพงๆเนี่ยไม่ทำหรอกแต่อย่าลืมลสามอย่างเนี่ยจจะอยู่ในคนเดียวกันอันนี้ก็คืออะไรก็คือว่าเป็นการเป็นการใช้ปัญญาที่จะกรรองทุกอย่างข่าวอย่าลืมนะฮะข่าวบางอย่างเนี่ยมันเป็นข่าวลวง คือเราเร า, เราไม่ต้องคิดลึกซึ้งเราอาจจะดูเรื่องรามเกียนตเรื่องเดียวนี่นะเราคิดอะไรได้เยอะเลยเราอ่านราชาราชเล่นเดียยนเราคิดได้เยอะอ่านพระไพมณีอ่านขุนช้างขุนแผนไม่ต้องไปอีกอ่านตำนาวิชัยสงครามอะไรเสียเวลาหรอกอ่านนังสือหนังสือแล้วก็โผมหรือแม้แต่เสือดำเฉย หรือว่าหน้ากากดำของปอยในปาลิษสามเล่มเนี่ยและยึงหนังสือของลบบุรีเยอะเลยแผนยุทธการยุทธศาสตร์ยุทธวิ ธ, ธีเล่โกงทั้งหลายเยอะมากม า, กม า, กกายไกลกองนลองหมากชั้นเดียวไม่ได้หรอกเพราะพอมันเกิดปั๊บขึ้นมาเนี่ย อย่างแนงซื้อพิมพ์เราจะเห็นว่าแนงซื้อพิมพเนี่ยเขาจะลงข่าวข้อประเด็นเขาก็ก็มีประเด็นเดียวคือน่าสนใจทํำยังไงให้หน่าสนใจทีจนี้ตรงเนี้ยมันก็ทํำยังไงให้หน่าคิดพอคนเริ่มคิดก็จะเห็นโอ้จริงๆนของเพราะนายกทัพยสินจริงๆเพราะว่าตอนก่อนไม่แรงอย่างนี้เนี่ย น, นี่อาจจะเป็นเพราะท่านนายกทีนี้เข้าทางปืนเขาว่าแนวะร่วมก็เกิดเป็นแถว พวที่จ้องอยู่แล้วก็จ้องต่ออันนี้คือคือฐานของสติสัมปชัญญะปัญสติกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือปัญญานะฮะถ้ามันเป็นฐานอย่างเงี้ยอย่างนี้เค ย, ยกตัวอย่างว่าเหมือนกันน้ําที่มันบริสุทธิ์สิ่งสกปรกตกลงไปมันต้องสลายทันทีได้นึกไปนรื่อก็เป็นกระทงหลวงทางตายไปมากจะมองอะไรชั้นเดียวมองหลายๆชั้น คิดคิดให้รอบครอบหลักการของพุทธเจ้าเนี่ยที่เอามาเอามาย้ําเตือนบ่อยๆเนี่ยท้องใช้คากระชับมากนะใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วต้องถามมารอบครอบไปยังถ้ายังไม่รอบครอบต้องคิดให้รอบคอบเอาข้อมูลมากกว่านนะั้น หรือบางครั้งบางข่าวผู้หลักผู้ใหญ่ที่พักได้ที่สัมภาษณ์เนี่ยเวลานี้ประชาชนให้ความร่วมมือประชาชนรายงานเข้าม า, ามทําให้เราทำได้เอาประชาชนถูกสงสยัยแล้วถูกเก็บไปนะฮะอันนี้เขาเรียกค่านกต่อฆ่านกตอง ก, ก็ต่อนกไปได้เลยเขาไม่พูดหรอกได้มันไม่คุ้มเสียมันได้อยู่แล้วอย่าให้เสีย ประชาชนที่ให้ข่าวเลยไม่กล้าให้ข่าวเพราะอย่าลืมว่าเราไม่รู้ว่าใครเกือบผู้ก่อการร้ายเขาอยู่ตรงไหนล่ะแล้วโอกาสต่อไปนี่ใครแสดงความสนิทสนมคุ้นเคยกับราชการเออไอคนนี้เป็นสายทางราชการมันเก็บเรืทําไงเคยยังนึกนะว่าที่จริงพวกนี้นั้นสงบสงบแล้วก็ฟังคนนอกใช่บาง คนนี้เขามองมาจากข้างนอกเนี่ยคือเราอาจจะคิดตามกันไปพอผู้ใหญ่พูดนะครับผมกรับผมกรับผมไอเนี้ยคือเราจะเห็นว่าปัญญาเนี่ยเป็นฐานอยู่เลยเป็นสังสว่าเหมือนความมืดมันแทรกมันไม่ได้หรือว่าไม่ตาเป็นฐานไหมหรือความเพียรเป็นฐานหรือศรัทธาเป็นฐานอะไรต่ อ, องเงี้ยแต่ศรัทธาเป็นฐา น, นล้วนๆไม่ได้นะฮะต้องต้องมีปัญญา เป็นยาอยู่ด้วยอันนี้คือมันจะดับโดยอัตโนมัติหมายความว่าเป็นนิพพานอนอ่อนเดยไม่อัตโนมัติอย่างเนี้ยอย่างอย่างรายการนี้บางครั้งเนี้ยต้องฟังจะสังเกตว่าก็ทำรายการทิุตินะปลเอกเสรีท่านสื่อเทพไปให้เราก็นั่งพูดทิุติแต่บางทีหมามันเหา่า ก็ต้องเราก็ต้อ ง, รองธรรมชาติอ่ะสังคมมันก็อยู่กับหมาเนี่ยหมาก็พวกเราเหมือนกันเฮาก็เาไปบางทีเสียงนกร้องมือวก็นกก็คือเพื่อนร่วมโลกกับเราเพราะ ง, งั้นถ้าเราไม่คิดว่ามีปัญหามันก็ไม่มีปัญหานี่คือธรรมชาติอย่างเราฟังเทปหลวงพ่อพุทธทาสบางทีมีไก่ขานหลวงพ่อเลี้ยงกยไก่แจ้ไว้เยอะนี่ไก่ขานเออมันก็ดีนะฮะเป็นบรรยากาศดี สติระลึกปัญญาวินิจฉัยไม่ใส่ใจธรรมดาเข้าถึงธรรมดานะพอเข้าถึงธรรมดามันมันก็จะไม่รุงรังอะไรมากเกินไปใจมันมีฐานทีนี้ก็ทรงแสดงว่าทางนี้คือสติปัฏฐานสี่สี่ประการเป็นฉัไหนนี้เขาเรียกว่ากทตุกามยตาปุชาคือเป็นการถามเพื่อจะตอบ ในพระบาลีที่เป็นพุทธวจนะพระเจ้าจะถามขนาดนี้ถามกติสุกรรมมิจตาบูชาแต่ไม่ใช่ถามเอาต้องอธิบายต้องสักนอกจากว่าปฏิบูชาปฏิบูชาจะถามให้เขาอธิบายแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ใช่ไม่ใช่สอนกับภิกษุแต่ว่าจะสอนกับคนถึงก้าวราวแข็งกล้าถ้าทางหยิ่งอวดดีมาอย่างเงี้ยอย่างสัจจะสตร ผู้รัชยสจรูปผู้กระสจานิโครนเรื่องอนิจจังไม่ใช่ผู้เรื่องอนัตตาแล้วก็ผู้แก่ท่านพระกาพรหมเรื่องอนิจจังอย่างเงี้ยมันต้องใช้แนวปฏิบุชาคือถามไม่ตอบแล้วก็ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมในนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ทีนี้เราเห็นว่าอภิชาตัวนี้มันกลายเป็นนั่นลหละเป็นกลายเป็นตัวแทนของโลภะซึ่งมันแรงบางทีในอุปกิเลสอย่างที่เราเจอเนี่ยเขาเรียกอภิชาวิชมะโลภะโลภมั่วไปห ม, ปมด อันนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้นู้นก็อยากได้เรียกเพ่งเล็งโลภอยากได้ไม่สม่ำเสมอจิตมันวิ่งมองนั้นมองนี่มองนู้อยากได้หมดแหละนะเหมือนกับบางคนเวลากินอาหารเนี่ยถ้าจิตแกไม่ปกติเนี่ยช้อนก็จะสายช้อนกลางก็จะสายมันจะตักไหนดีก็นั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้เน่ยนู้นก็อยากได้แต่ถ้าเราทาใจปกตินะ เช่นสมมุติว่านั่งรุ่มโต๊ะการแล้วก็มีโต๊ะที่ก็วางอาหารแล้วก็หมุนได้นะฮะลองฝึกดูเนดิฮะเขาหมุนอะไรมาตรงหน้าก็กินอย่างนั้นเนี่ยมีเหมือนกันแน่ๆฮนะแต่เราฝึกคุมความอยากของเรา <c oughs> เขาเรียกว่ากินตามนีตามได้ <c oughs> อยากอะไรก็กินในนั้นได้อะไรก็กินในนั้น ถ้าลองหัดฝึกดูก็ได้ท่านทางฟังลองลองทุกจิตดูเถอะเราสามารถที่จะฝึกจิตจากจากโต๊ะอาหารนี่ก็ได้มันไม่ใช่ว่าโอ้ต้องเขามีรูปแบบพิติกรรมต่างๆมนอยู่ที่วิธีนะฮะคืออาหารนี่มันโอ้เป็นครูได้เยอะนะเราฝึกในแง่ที่จะลดกิเลสก็ได้ในแง่ที่จะเพิ่มธรรมะก็ได้ ถ้าจะมองในแง่เพิ่มธรรมะจะเอาอะไรล่ะเอามาัดดันยูตาจะพัฒตสมิงรู้จักประมาณในพัฒตาหารโอ้โหนี่เป็นวิธีการนะทรงสอนที่โอวาตปฏิโมกเลยรู้จักประมาณในพัฒตาหารไม่ตามใจปากจนเกินไปกินพยังอัตภาพไปเป็นไปแต่ใจมันสาย แต่มันสายเพราะว่ามีสีมีกลิ่นมีรสมีรูปต่าง ๆ, ๆเยอะก็พิจารณาในแง่ของปฏิสังขโยอย่างที่พระเจ้าสอนเอาไปสังขโยเนี่นะเขาเรียกอริยวงเลยนะเป็นวงของพระอริยามายความพิจารณาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อหัวใสายอยากแก้ไข่เนี่ยปัจจัยสีเนี่ยเป็นใครพิจารณาได้ทําจิตได้ไม่บริโภคปัจจัยสีด้วยตัณหา เพราะถ้าเราไม่บริโภคในตาหารเราจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เราไม่เกิดข้าวครุกปีก็กินอิ่มเหมือนกันนะไม่เป็นไรข่าวราดน้ำปลาก็กินได้อย่างอัตภาพไปเป็นไปบนวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าสอนพระบนพระท่าถ้าท่านเข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปถามวาฉันได้หรือไม่ได้ยังอัตภาพไปเป็นไปได้ อะไรก็ได้ก็ว่ากันไปคือมีนานนานานละี่จริงก็เรื่องนานแล้วกระทั่งก็ตายไปแล้วนะฮะจุปิสันในที่แห่งหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาถวายของหวานนะหลวงพ่อท่านอยากชงกาแฟพอท่านสดครั้งแรกเนี่ยท่านพูดเสียงดังเราตกใจสะดุ้งเลย แต่บอกไม่หวานดังๆงล้นะเรารู้สึกสะทกสะท้อนนะหวานไม่หวานช่างหวานนะ่ะกินไปเถอะสำเร็จประโยชน์พอแล้วไม่ต้องพูดมากมาบางครัง้งบางคราวเรายุ่ง เ, เช่นว่าคือพระตำปกติก็ดื่มน้ำธรรมดาเนี่นะอยู่ที่วัดเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำประปาเลยทั้งไปนะ ถึงบ้านบางทีต้องเรียกหาโซดาต้องเรียกหาน้ำขวดอะไรตัวอะไรโอ้มันบุนไม่ใช่เล่นนะเหตงนั้นอันนี้ก็คือคื อ, ค, อคืออาการของพิจาร์พอเราตกเป็นธาตุมันแล้วมันบุญนนะมันบุญมันยุ่งไปหมดอนะ่ะแม้แต่กินอาหารที่บ้านก็โอยไม่ถูกปากอาหารไม่พอต้องเข้าพัฒนาคารต้องเข้าบา้าเข้าเหลาเข้าไปกินสิ้นเงินสิ้นทองเยอะ ก็อิ่แค่อิ่มนะล้วเราเราเราลองสังเกตว่าแต่ละอย่างที่ทรงยกขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าถ้าเราอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสัมมาชัญญะสามข้อนะตรงเน้นตรงเนี้ยสามข้อตลอดแหะแต่อย่าลืมมาตรงนี้ก็คืออริยมรรคความเพียรก็คือสัมมาวามะสัมมาชัญญก็คือ สมาทิฏฐิก็สัมมาสังกัปปะสติก็คือสัมมาสติฮะท่านอาจจะคิดถึงโพธิชงอันนี้ก็คือสติสัมโพธิชงคือธรรมวิยยะสัมโพธิชงคือวิริยะสัมโพธิชงท่านอาจจะพูดถึงข้ออื่นอ่เราจะเห็นว่าเช่นเช่นเช่นอะไรล่ะเช่นพลาห้าอินทรีห้าเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันเราเห็นว่าก็มีสตินสีก็คือสติมีวิริยิสี นะก็คือปัญญินสีก็ก็คือสามข้อเนี้ยวันธรรมะสามข้อนี้มันเป็นธรรมะระดับโลกระดับนิพพานนะเหมือนคล้ายๆกับอาหารไทยทุกอย่างเนี่ยอาหารไทยทั้งหลายไม่ใช่กขนมไทยทั้งหลายเนี่ยนะมันจะมีองค์ประกอบหลัก แต่ว่าทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่ว่าจากการสังเกตอนะฮะคือรู้สึกว่ากะทิความหวานกับข้าวเหนียวมันตัวหลักแล้วก็แนวแม่สีอะไรต่างๆเนี่ยนะแม่สีมีสามสียังไงก็มาจากแม่สีสามสีพ้นธรรมสามข้อนี้แต่ละข้อเนี่ยเป็นผู้นําสู่นิพพานได้หมดลูกใหญ่เล ก็ดูคำท่านๆอย่างเงี้ยอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิทยาโดเกอพิชาโดมนาสังตอนสามข้อนี้เขาเป็นมรกแต่มาอาภิชากระทมนัสเดี่ยเป็นสมุทยัยก็เวลาฟังก็นึ ก, น ก, นกว่าอะไรคืออริยสัจมันอยู่ตรงไหนของอริยสัจแล้วเราจะเจออริยสัจ ต, ตลอดทีนี้ที่ที่เราที่เรามีปัญหาในตามปกติสังคมพุทธนี่ลืมอริยสัจ แล้วก็ไม่ได้มองปัญหาตามโครงสร้างของริษัทเพราแก้ปัญหายิ่งสร้างปัญหาแก้ปัญหายิ่งสร้างปัญหาคือจังอย่างระบบการศึกษาเนี่ยเราต้องลึกว่าการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาอนุชนของแผ่นดินลูกหลานของแผ่นดินไม่ใช่ของเราระบบการศึกษาไม่ใช่ของเราแต่จัดกันจําเป็นของตั ว, ต, วตัวเขาเลย อย่างคณะปฏิรูปเนี่ยรู้สึกคล้ายๆกับงานการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเป็นของฉันฉันจะจับซ้ายหาันขวาหาันกับหลังหันยังไงก็ได้อย่างนี้มายุ่งตายมันทําด้วยอาหางการด้วยมัมังการมากเลยตันหามากเลยมานะมากเลยทิฏฐิคนอื่นพูดไม่ได้ผิดหมดฉันต้องพูดคนเดียวเดี๋วผลอุทัยก็พิมพ์หนังสือขึ้นหนักไม่รู้สักกี่กิโลตัวเองก็ไม่อ่านใครเขาไม่อ่าน เรืงรมามันแผ่นดินได้มากมากเก่าขาดสติไม่ได้ขาดสัมมาัญญาไม่ได้ขาดความเพียรที่เป็นสัมมาวามาตตไม่ได้มันมันมันไ ม, ม่มีสักอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งสิ่งที่พอพอคนอื่นพูดเราก็จะกโกรธไงอื่นพูดไม่ได้กโกรธเกรงเก่งถูกหมดเลยเราไม่เฉลียวคิด ว่าบางอย่างในคำพูดวักต้นกับวักหลังเนี่ยมันขัดกันคนไม่เคยคิดนะฮะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกสติสติเนี่ยมันไม่ได้ฝึกมาผิดแล้วผิดเลยแล้วไอ้ประโยคกอ่อับประโยคหลังบางทีมันขัดกันต่อต้านเรื่องความจำในขณะเดียวกันตัวเองสีเขียนเรื่องวิทยาลัยครูวิทยาลัยฝึกลิง เงอย่างนั้นอย่างนั้นสามารถลืงอย่างนั้นขึ้นมาพร้าวปิดพระภาได้อย่างนั้นอย่า ง, งนัโดยไม่โดยลืมมายว่าลิงเนี่ยเขาฝึกมันจําสีเปลือกมะพร้าวแห้งสภาพไป ล, ออลไ้ อ, อ ม, ม, มของลิงเนี่ยอยู่โดยปลือกมะพร้าวแห้งหมดสีมีสีเดียวของลิงเนี่ยเห็นอยู่นั่นแหละอะไรก็ไม่รู้รอบรอบตัวแกเนี่ยเขาฝึกอย่า ง, ง น, นั้นก็นัคือจําจำมัไม่ได้หมายถึงท่อง จำหมายถึงได้เห็นบ่อยๆได้ฟังบ่อยๆได้กินบ่อยๆได้ลิ้มบ่อยๆจับต้องบ่อยๆคิดบ่อยๆพระจําแต่ท่องนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะนําไปสู่ความจําว่าระบบการศึกษาเนี่ยที่จริงคือการพัฒนาขันห้ามันไม่อู่นไปจากขันห้าพระชีวิตโลกเลยมันแค่ขันห้าแต่นั้นเองก็คือระบบการพัฒนาขันห้าทําลาด้านกายภาพ ในไม่กายเนี่ยมันไม่จะพูดเฉพาะอารมณ์กรรมฐานกายมันก็คือตัวร่างกายคนทุกคนอ่ะมันใช้ทั้งพระราศึกษาทั้งหัตถศึกษาทั้งพุท ธ, ธศึกษาและทั้งจริยศึกษามันจะต้องปฏิบัติสอดรับกั บ, กบขนบธรรมเนียมประเพณนนีวัฒนธรรมจารีดแบบแผนโอ้สารพัดแต่คำกากายคำเดียวก็หมดโลกอะโลกก็วัตถุในหมดแล้ว มันอยู่ในคำว่ากายเราะันจะมองย่อยจะมองย่อยไปในกายแล้วก็ดูที่กายที่เป็นภายในภายนอกแล้วก็ไายน้นนะฮะอย่าละเอียดเร็วไปนี้ก็ว่าไปประเด็นแรกก็คือความเพียรเนี่ยไม่ใช่ใช้คำว่าความเพียรใช้คำแปลกใช้คำว่าอาตาัตตะ ต้องฟังเราสังเกตว่าอาตาปะหรือตปะนี่จะไม่ใช่บ่อยตปะจะอยู่ในทศพิราชธรรมในบา ร, รมีสิทธัตเนี่ยเรียกว่าวิริยะบารมีวิริยะเนี่ยแปลว่ากล้าหาญนะแปลว่าความเขียนที่เราเขียนเป็นความเพียนเนี่ยก็มาจากวิริยะเนแต่ว่าตัวศัพท์จริงๆแปลว่ากล้าหาญ คือไม่ประวันพรันพึงต่อปัญหาอุปสรรคอันตรายต่างๆอันนี้ไม่ใช่ยิ่งมันนั้นเลยเข้มค้นกว่านั้นเป็นความเพียรที่เป็นไปทางกายทางจิตจังแรงกล้ามุ่งมั่นไปสู่ผลสำเน็จเผาหลอมละลายกิเลสให้แหลกเป็นพัทลีไปเลยเพราะไม่งั้นเธอไปดับโศกไปเทวะทุกขโทมนสตุปายาตไม่ได้ แล้วสิ่งที่ถูกเผาทาลายคืออะไรในที่นี้ทรงยกมันสองข้อนะฮะคือโลภโกรธอภิชากระทมนักโทมนักตัวนี้หมายถึงโทสะเลยแล้วถามว่าทําไมโลภล่ะทําไมโกรธล่ะเพราะเราไม่รู้เห็นไหมฮนะโมหะก็อยู่แลหละโมหะไม่ต้องพูดอ่ะเขาอยู่ตรงเนี้ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างวาในตัณหาเนี่ยเอ๊ะทาไมไม่มีโมหะ มหะแกผสมอยู่ในกรรม ต, รวตัวิปัสสนาวิปัสสนาแล้วไอ้โทสะอยู่ตัวไหนโทสะอยู่ที่วิปวัสสนาไงที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไมอยากเป็นคือเราไม่ชอบเราไม่ชอบก็คือโทสะมันกิเลสเนี่ยมันก็อยู่นี้แหละแก่โลกรุหลง ไปเจอที่ไหนก็โลภกับหลงราคาก็โลภไปนนะฮะราคาก็โลภแต่ยาลืมทั้งหมดเนี่ยโมหะเขาก็แทรกอยู่พเระดับโมหะนี่ยพวกนี้มันดับหมดไงดับหมดอย่างสิ้นเชิงดับโดยไม่มีเชื้อเหลืออยู่อีกต่อไปตอ น, นความเพียรอาตาปะถึงแม้จะเรียกว่าอัตาปะแต่เนี้ก็สี่อย่างคือหนึ่งก็เพียร ป้องกันบาปอากุศลทุจริตทั้งข้างในทั้งข้างนอกแต่ทีนี้ตรงนี้พูดเฉพาะข้างนอกเพราะวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเออจะสอนในแนวบางทีกระจายเป็นป้องกันบำบัดบำรุงรักษาโครงสร้างใหญ่ของแม่บทบริหารบ้านเมืองเหมือนกันเห็นไหมฮะป้องกันบำบัดบารุงรักษาเต็มยดหมด โลกก็เหมือนกันเนี่ยป้องกันบำบัดบำรุงรักษาทีนี้ตรงเนี้ยถ้าเป็นการบำรุงถ้าเป็นการบำรุงมันก็เหมือนกับเรา ก, กินอาหารไออาหารที่เข้าไปยมันทําหน้าที่ บ, บําบัดด้วยมันหน้าที่ป้องกันด้วยมันทําหน้าที่รักษาด้วยป้องกันอะไรป้องกันความหิวใหม่ขจัดความหิวเก่า รักษาความอิ่มเพิ่มภูมิความอิ่มแล้วก็รักษาความอิ่มเห็นไหมกินข้าวเนี่ยมันมากลายเป็นอะไรมาครบครบทั้งสี่ข้อไม่ใช่กลายเป็นสัมมาปยมมาครบทั้งสี่แล้วก็กลายเป็นกระบวนการของอนิยสสครบทั้งสี่ด้วยนะฮะเพราะนั้นตรงตรงนี้คืออะไรอ่ะก็คือสังวรปรทานนี่แหละสังวรปรทานคืออะไรคืออินทรียสังบอดโลกมันเป็นอย่างเนี้เนาะ โยมอาจจะรู้สึกเอ๊ะธรรมะทำไมมันซ้ำบ่อยธรรมะเขเป็นอย่างเนี้นะธรรมะเป็นอย่างนี้อาตาปีชั่วจันโนสติมานิไปที่ไหนเราต้องมีหมดสติสัมยัญญาความเพียรยังกินข้าวยังขาดไม่ได้อาบน้ำยังขาดไม่ได้เข้าห้องน้ํายังขาดไม่ได้เดินถนนยิ่งลื่นยิ่งต้องมีมากเลยสติสัมยัญญาความเพียรเนี่ยขาดไม่ได้แล้วฟั ง, งทนายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุนีขอความเจริญ ง, งอกงามไพยบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี